พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งสองลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่23ามตุลาคม2559หมีชื่อเรื่องว่ายาภากิเลศไปหาสแตก๊กวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23สาม ตุลาคมพุทธศักราช2559เมื่อเช้าพวกเราได้จัดศรัทธาญาติโยมได้จัดถวายภาพกรถินปีพุทธศักราช2559เมื่อวานเมืม่อวันนี้ตอนเช้าพวกเราก็ได้ทำํำกระถินก็เป็นที่เรียบร้อยศรัทธาญาติโยมล้นหลาม อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปได้ความเรียบร้อยราบรื่นแล้วก็หมู่พเพื่อนทุกองค์ก็ได้ช่วยกันจัดงานดูแลจนถึงพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าอบอุ่นเราก็ได้การกระถินสวดกระถิน่นเมื่อเช้าแล้วก็ พอตกตอนเย็นเราก็ได้ตอนวันนี้เราได้เย็บผ้าสบงเพื่อจะเตรียมการกระถินในตอนเย็นแต่พวกเราก็ได้เย็บเรียบร้อยแล้วก็ย้อมแล้วก็ได้มาพร้อมกันเวลาหกโมงกว่ากว่าตอนเย็นนะเราพวกเราก็ได้การได้กลานกระถินได้จบลงไปแล้วสักครู่นี้ ในอันในสงการกรานกระถินอันในสงพันษาแหพวกพระพระใหม่ลูกหลานทั้งหลายอันในสงกระถินอันใสพันษาอันสงพันาจะถึงเพนเดือน12บสองแล้วอันในสงกระถินจะถึงเพนเพนเดือนสเดือนส่เพนอ่างอันในสงกระถิ่นคุมครอง ต่ตามไม่จริงพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่จาเป็นจะต้องได้ใช้อานิสงส์กถินก็มีอยู่ข้อเดียวที่พวกที่เราได้ใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือบางทีเราอาจจะเผลอเลอะหลงหลงหล ง, หลงลืมผ้าสบงจีวรสังคาติพื้นใดพื้นหนึ่งเราลืมเราก็เ อ, อออาิสง์ กระถินมีอยู่และอนนี้สงพันธ์าจนถึงเดือนสิบสอเพนมีอยู่เราก็ได้ใช้เราไม่ต้องเสียสละเป็นนิจคีผ้าเป็นนจคีเพราะอยู่ปราชิกจากไรจีวอนแม้คืนแรกต้องนิจคียะปาจิตติพื้นใดพื้นหนึ่งกัเป็นนจคีปลาจิตีทั้งปายเสจากทั้งสาพื้นแบเป็นนิจคีทั้งสามพื้น แต่ก็คงจะเป็นหนาสามผืนไม่ถอว่าเป็นผ้านุ่งสมัยก่อนมันเป็นผ้าตราผ้าสามผืน อ, อยู่แล้วนะอาจจะปลาชา จ, จากสองผืนแต่ถึงยังไงถ้าเรามีอนิส้สงพันธ์าอนิส้สงกระถินก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็เป็นการยกเว้นไม่ต้องเสียสลักไม่ต้องแสดงอาบัตเพราะพระวินัยคุ้มคองอยู่แต่ถ้าว่าไม่มีอนนอี้สงอันิสง กินนี่แต่อันนี้มีอันนี้สงพันสาก็ถึงเดือนเพนเดือน12บแล้วก็หมดแต่ตันนี้พอเราการกรถินอย่างวันนี้ละ่ะเราก็จะยืดไปอีกถึงเพนเดือนสเดือนสี่เดือนสีน 4, นะ่เพ น, เนจงหมดเขตกรถินแต่อันนี้สงอย่างอื่นก็มีอย่างฉันปรำพระโภชนะอย่างนี้เข้าบ้าน ไปบอกไม่ต้องไม่ต้องบอกลาไม่เป็นอาบัตเราก็บินทบาทเราเดินทางไกลไปทางเรือบินทบาทไม่พอฉันฉันปรำพระโภชนะแต่พวกเรามองคิดจุดนั้นไม่จำเป็นพราะเราฉันมือเดียวก็เป็นภาระหนักหนาสาหัสอยู่แล้วจะไปหากินอะไรกินเพื่อปากเพื่อท้องเราไม่ได้บวชมาเพื่อ ปากเพื่อท้องแล้วก็การอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่มีการบอกกล่าวกันจะไปแบบไม่บอกไม่สั่งไม่ไม่สังส่งไม่ลาใครเลยไม่รู้ไปล้มไปตายเราก็ไม่รู้การอยู่ด้วยกันถึงยังไงมึงก็ต้องบอกลาการบอกกล่าวกั น, ผ ม, น, นนะผมจะไปนั่นะผมจะไปนี่นะเพื่อมาให้พวกเพกืพ่อนอยู่ด้วยกันเป็นห่วง อันนี้ก็ารทมชาติของการอยู่ด้วยกันแต่พระวินัยตอนนี้ในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพระพุทธองค์คงจะเห็นว่าพระอยู่ด้วยกันมากมายหลายองค์ท่านก็คงจะให้ให้สิทธิ์ในการอยู่ด้วยกันแต่ถึงยังไงก็ตามที่ผมได้ศึกษาหรือใดเรียนหรือใดปฏิบัติมาก็มี น, นั่นแหละมีข้อเดียวเท่านั้น ที่ว่าเราหลงเราลืมลืมผ้าไตรยีบอลไว้แล้วก็เ น, นี่ยแะเราก็จะต้องไม่ต้องเสียสละไม่ต้องไม่ปรับอวบผมก็เคยมีอยู่บางครั้งนานๆสมัยก่อนบางทีอยู่ไปเอาตากผ้าไว้ก็ลืมตายพอจนจวนสว่างมาคําหาผ้าไม่เจอไม่รู้เอาไว้ที่ไหนพอคุณนที่ถูกโอ้ตาย เราไปลืมภาพาวาดเราไปทําอย่างงานอย่างอื่นแล้วก็เก็บภาพไว้ผลที่สุดมันก็อยู่ปรากราชจักรไตรจีบอลบางทีก็ได้เสียสละก็มีแต่บางครั้งก็เนียอเนสง์พันษาเนี่ยแหละเลยอเนสงกระถินนี่แหละคุ้มครองนะและเอาความเป็นมาของกระถิ่นเป็นมาอย่างไรคือมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเดินทุ่งไปในป่า แต่นี้ท่านก็อพอไปเดินไปภาวนาอยู่ในป่าคงจะในใจก็เนี่นะได้ภาวนาแล้วก็มีความสงสัยในใจพระทั้งสาโสิบรคนะแต่อยู่ด้วยกันสงสัยในใจเรื่องจิตตภาวนาอะไรพวกเราควรจะเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า แต่ทีนี้พอปกตกลงกันแล้วก็เลยพร้อมพากันเดินมาเดินมาออมาคิดว่าจะให้ถึงกรุงสาวัตถีวัดป่าเชตวันนะแต่พอมาถึงเมืองสาเกตก็ห่างจากกรุงสาวัตถีพอสมควรและก็เป็นวันเข้าพรรษาแต่ถ้าว่าเราจะเดินไปอีกก็คงไม่ถึงวัดป่าเชตวันท่ีพอมาถึงตรงนั้นแล้วนะก็เลยจําใจเป็นจําใจจำพรรษาที่ เ, เมืองสาเกตที่วัดที่เป็นวัดอยู่นั่น น, นะจะจำพรรษาด้วยกันแต่ในใจก็ยังคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราอยากจะถามปัญหามันคล่องอยู่ในใจิตใจเรื่องจิตตภาวนาเนะี่ยแต่คนนั้กระวนกระวายแปลว่าไม่สบายใจอยากจะเข้าไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าแต่เนี่ยมันอยู่ในเขตพรรษา ต่นนี้พอออกพรรษาแล้วพระพระเหล่านั้นก็เลยไม่ได้คอยให้ฝนมันหมดหมดเดือ น, นสิบสองแผ่นซะก่อนพอออกพรรษาแล้วก็อพอมพากันเดินติ่งมาเลย่ากราบพระพุทธเจ้ า, จาพอมาก็ลุยตมลุยโคลนสะบักสะบอมมาก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระองอเอเอเป็นไง พอพระองค์เทศแสดงทำให้ฟังเป็นที่พอใจแล้วพระองค์ก็ถามว่าเป็นไงพวกเธอพาสุขอยู่เหรอพระเรานั้นก็เล่าให้ฟังว่ากระผมไปภาวนานี่ติดขัดปัญหาอย่างนี้ก็เดินทางเพื่อจะมากราบฝูนพระพุทธเจ้าถามปัญหาแต่พอมาถึงเมืองสาเกตก็เป็นเวลาเข้าพรรษาพวกข้าพองค์ก็ได้จำพรรษาที่เมืองสาเกตพอออกพรรษาเลก็ออกรีบมาเดินเลยเพื่อจะมาถามปัญหา ในความคล่อ ง, องใจกับที่ตนเองปฏิบัติธรรมมากราบทูนถามพระพุทธเจ้าถามปัญหาแต่าการเดินมาเกินการเดินทางม า, ารู้สึกว่าฟ้าฝนเรยว่าลุยตมลุยตมโุยโครนมาวัดรลักษณะอย่างนั้นเปียกปอนไปหมดแต่นนี้พระองค์เขาบอกว่าโดยบัญญัติวินยัยให้เกี่ยวกับาการกระถิน บัญญัติเรื่องกระถินขึ้นมาและก็ บ, บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ปราจจากไตรกีวอนในพรรษาเก็บไว้ก่อนก็ได้ทำถา้ถามันจะเปียกปอนลำบากลักษณะยากันละ่ะนี่แหละคือความเป็นมาของกระถินจากนั้นก็บัญญัติเรื่องกระถินออกพรรษาเดือนสิบเพลนแต่ให้เป็นกระถินอีกเพื่อไปส่อแสวงหาผ้า สมัยครั้งพุทธกาลหาผ้ายากไม่ไม่มีไม่ไ ม, ม, ม, ม, มีโรงงานเหมือนยุคสมัยนี้มีตกีกระตุกถ่อผ้ า, ามันก็เพียงแต่พอใช้ในครอบครัวพอใช้ในหมู่ในคณะที่จะซื้อขายนะก็คงราคาแพงอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผ้าหายากแล้วก็ผ้าผ้าพระกับผ้าปื้นใหญ่อีกต่างหากพร ะ, ะนพองค์จึงบัญญัติให เดือนสุดท้ายของออกพรรษาเนี่ยให้พระภิกษุสแสวงหาผ้าจีบอเพื่อเป็นเครื่องนุ่ ง, งหม่มการขาสแสวงหาสมัยนั้นก่อนนี่นะไปเก็บตามป่าช้าบางังที่คนสมัยก่อนอถ้าหากว่าคนสมัยก่อนท่านหนูกัดผ้านะเ่เขาจะทิ้งทั้งหมวนทิ้งทั้งไม้เลยนะอพอหนูกัดเ อ, เอาไปทิ้งเลยเป็นแปลว่าผ้าเป็น อาเพศเป็นอาเพศอาฐานจั น, จนเป็นผ้าจันไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะผ้าเป็นอ ป, ปมองคลลักษณะอย่างนั้นอ่ะเขาจะขนไปทิ้งนั่นแหละพระสมัยนะั้นกะ็ะได้ผ้าที่เป็นอยู่ในกองยักษ์เยื่ อ, เ, อเก็บอยู่ในป่าช้าบางทีก็ไปพาพันพันหอ่หอศพห่อศพขนทิ้งบังก็เกินอยู่ในป่าช้าพระก็ไปนั่นแหละ เอามาเย็บปะติดปะตอกันแรีว่าผ้าบางสกุลในถะ้าผ้าสมัยนั้นมันไม่ใช่ของหาได้ง่ายนะลูกหลานผาเนนไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้นะผ้าเนะี่ยของเรานะหนึ่งเหลือเฟือฟุ่งเฟือ่อยใช้จนลืมตัวนั่นแหละมากเกินไปนะและก็เผลอเผลอตัดที่วอนไม่เป็นอีกส่าหาพระบวชใหม่พระรุ่นใหม่นะ อย่างรุ่นของผมผมยังกะได้ตัดได้เย็บได้อีกต่างหากขีดกุศลอะไรได้ย้อมได้แต่ผ้ารูดหมายโดยมากเป็นสีก็สีไม่ตกอีกต่างหากแล้วก็ย้อมผ้าตัดผ้าเย็บผ้าก็คงจะทําไม่เป็นข้ามผู้ไม่ใส่ใจจริงๆแลบผู้ทีดด่ไหว ในการศึกษาใยในการเรียนรู้เรื่องตัดเย็บจีวรก็ทําได้ไม่เหลือวิสัยแต่พออยากพอสมควรนะต้องเรียนพอสมควรต้องคิดคํานวณเรื่องผ้าพราผ้าแต่ละองค์งการใช้ใหญ่ขนาดไหนเราก็ต้องเอาศอกเอาศอกของใครของเรานะั่นแหละวัดถ้าองค์ใหญ่เข้าหกซอกความลึกก็ประมาณ ส, สอกไอสีสอกฟา์มเอรถ้าเป็นคนผู้ใหญ่นะประมาณนี้แหละหรือสี่อกท้วนก็ได้สศอกท่วนากจะนุ่งและจะเขินไปสักหน่อยแต่สศอกฟา์มเมอรพอดีพอดีอดถ้าสศอกคืบนะจะลึกเกินไปถ้าความใหญ่ก็เหมือนกันถ้า6ศอกคืบใช้ได้ถ้า6ศอกตึงก็ตึงๆไปสักหน่อยอถ้า เผื่อเข้าไปทั้งเจ็ดเกือบเจ็ดสองแล้วก็ใหญ่ใหญ่เกินไปนี่แหละอันผ้ากีบอดจากนั้นก็ต้องมาคำนวณคิดเป็นตัวเลขว่าเราจะตัดยังไงให้มันได้ขนาดเผืเ่อย้อมเผื่อเย็บกุศลมันกินเท่าไหร่เวลา ย, ย้อมมันหดเท่าไหร่อ น, นเราก็คำนวณกันละในี่แหละ ว, วิธีการตัดผ้านะผมหนึ่ง อยู่ที่วัดบร้ น, บนตาจะเป็นใช่จะว่าไปก็เป็นจ่าฝูงแนหะตัดผ้าพระให้พระฝรังพระไทยพอจัรเสร็จแล้วขึ้นเย็บอีกทางหากพอขึ้นเย็บกับหลวงปู่คุณมนะีเป็นคนตัดเป็นคนตัดผ้าผมน่ขึ้นหลังจักตลอดแต่ถึงจะขึ้นหลังจักก็ถกเถอะนะแต่ได้เวลาบ่ายสี0มงปุ๊บจุดทันทีเลยบ่ายสามโมงครึ่งนะต้องลงไปปัดกวาดซะก่อน ถ้าวงปัดกวาดเสร็จแล้วนะพระผ้พาพระน้อยก่อนลงไปสูบน้ําพอสูบน้ําเสร็จแล้วขึ้นมาเย็บอีกนิดหน่อยแล้วก็เก็บจับทันจะไม่ให้คํานะไมหห่หลุดลือยืดเยื้อเหลือหลังอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเราจะไปถือเลดว่าเราเป็นผู้เย็บผ้าไม่ได้อถึงเวลาก็ต้องทํากิจวัตรข้อวัดสำคัญกว่านะลักษณะอย่างงั้นแนะ่ะอันนี้ก็คือ การตัดเย็บผ้าสำหรับยุคสมัยผมนู้นเพราะว่าผ้าโลเนี่ยมันไม่น่าใช้เลยล่ะก็ตัดยังไงก็ไม่รู้ละตัดบิดๆเบียเบ้ยวๆเวลาคลองกันรู้เลยว่าเป็นผ้าโล่แต่ทุกวันในที่เขาตัดมาเนี่ยเรามองเห็นแล้วเออฝีมือนี่ยใช้ได้ทีเดียวเลยแต่เพอเพอมันจะเก่งกว่าพระอีกต่างหากฝีมือของเขา แต่สมัยก่อนในเทผมตัดเนี่ยก็ ด, ดูเราไม่แพ้เขาเหมือนกันล่ะเรามองดูเราก็ยังว่าเหนือกว่าเขาอยู่ที่เขาตัดมาเดี๋ยวนี้นะแต่องคลุงตาที่ท่านเย็บลุงตาเนี่ยเก่งมากเรื่องเย็บผ้าจีวร เ, เวลาจีวร น, นี่ยท่านเย็บได้วันแล้ผืนเลยล่ะผืนก ว, กว่าอีกท่างหากท่านเย็บเร็วมากเลยเย็บผ้าจีวร เ, เพราะฉะนั่นแหละวิธีการ การเย็บผ้าการตัดผ้านะพรานีขอให้พวกเราตามไปเิงพวกที่มีอายุพันษาก็ควรจะศึกษามันกันนะอถ้าว่าเผื่อไม่มีใครเย็บมันมีปัญหาขึ้นมาไปในอนาคตตัดผ้าไม่เป็นออจะทํำยังไงเพราะฉะ้ในพวกเราตัดเย็บให้ให้เป็นให้รักษาให้เป็น และกเรื่องกระถิ่นของพวกเราเมื่อเช้าที่ผ่านๆมาศรัทธาญาติโยมก็รู้สึกว่าเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ต่อไปเนี่ยก็ขอให้พระพวกเราทุกองค์ช่วยๆกันเก็บสิ่งของให้เข้าที่เข้าทางให้ช่วยกันนะผลไม้คนละมือคงจะไม่เหลือวิวสัยเพราะชาวบ้านเขาก็มาช่วยเราอยู่แล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นเราต้องเป็นหัวหน้าเขา ถ้าเราไม่เป็นหัวหน้าเขานะึ่งไม่ได้นะงานทุกอย่างนั่นนะต้องปรึกษาปารกันต้องเป็นผู้นําเก็บสิ่งของไว้ยังไงเก็บยังไงหนูจะไม่กัดถ้าเก็บไม่ไม่ดีขนาะอันตรายกระรอกทั้งกระตทั้งหนูอะไรอมาทําร้ายทําลายกัดสิ่งของเสียหายดังนั่นให้ช่วยๆกันดูเรื่องของใช้ก็เหมือนกันนะ่ะที่มาบริหารมา ให้หมูพวกเพื่อนรู้แจกแบ่งกันใช้ตามมัธยาศั ย, ยใครจะใช้อะไรก็แบ่งกันดูกันนะผมไม่ได้ยุ่งเกี่ย ว, วเรื่องบริขารที่ได้มาอย่างไงก็ช่วยๆกันดูช่วยๆกันจัดเรื่องจะถูกปัจจัยก็เหมือนกันที่ได้มาเนี่ยค่เป็นของกลางมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด แต่มีผู้ใดมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนก็มองการรู้กันแต่ไม่มีอะไรก็ น, นะเราเป็นพระสาธารณะปิดพระของชุมชนชาวบ้านเขาในเมื่อเขาถวายให้เราเขายัางถวายได้ในเมื่อเรามอบคืนให้กับเขาในสาธารณะประโยชน์เราก็ต้องมองมอบคืนได้ส ร, ร้างวิทยาลังสร้างโรงเรียนบาง สร้างวัดวาศาสานาบางมีหลายๆอย่างเมื่อความเมื่อข่าวจำเป็นเราก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นี่แหละอันนี้ก็คือเราจะไปถือว่าปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนะมันไม่ใช่ปัจจัยญาติโกโหติกาของเราเป็นญาติธรรมเขาบูชเพื่อทำบุญขึ้นมาก็ไนะจบแล้วจบจบอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีก เพจะทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาบํารุงธนุบํารุงพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะไปใช้สมสีสบ้าอิรุยชุยแจกใช้ไม่คิดไม่อ่านก็ไม่ได้นะอันนี้เราต้องคิดสรุปแล้วก็คือมีความจําเป็นยังไงหมูพวกเพื่อนค่อยบอกบอกต่อๆกันก็ได้หรือปรึกษาปารลบกันใน ห, หมูในคณะก่อนก็ได้ว่าจะให้จะ ใ, จะใช้จะใช้ยังไงจะทํำยังไง ผมเป็นผู้ดานชุดท้ายอย่างพวกท่านทั้งหลายบางทีก็ปรึกษากันอย่างน้อยสามสี่ห้าองค์เราได้ใช้อะไรภายในวัดผมก็ได้สั่งจ่ายไปแต่ละเดือนก็หลายเงินเหมือนกันอย่างพวกที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนั่นแหละแต่อากู๊กผ้าน้อยพ่หนุ่มอาเจะไม่ได้ถ้าใส่ใจก็คงจะรู้ได้ระดับผู้ใหญ่ขึ้นมาเออ เขานี่ใช้ใช้ข่าน้ำใช้ใช้ข่าตัดยาใช้ข่าน้ํามันใช้ข่าอะไรต่อไปอะไรผมก็ดูดูแล้วก็เออข้อไหนสงสัยก็ถามถามทําให้สงสัยแล้วเออสั่งจ่ายไปอันนี้ปัจจัยสี่ที่เราได้มาตลอดถึงข่าอาโงงข่าอาหารข่าน้ําข่าไฟามันก็ได้ใช้ในปัจจัยเหล่านี้แหละทํามันเหลือ เราก็สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โรงเรียนโรงพยาบาลวัดต่างๆวัดต่างๆเขาเนี่ยเมื่อเดือนต้นเดือนเก็เนะเราก็ทำลรางน้ำใ้วัดทั้งสามวัดในศาลานะจ่ายไปเกือบสองแสนเหมือนกันนะเฉพาะลางน้ำของวัดสามวัดนะนี่แหละเดี๋ยวนี้ออกพรรษาเนี่ยก็คงจะมีอีกศาลาสองหลังเพียงตะมุงหลังคาไว้เฉย ผมก็ยังบอกให้ท่านหน่อยมีอะไรให้ทำทำเนาะช่วยๆกันนะมันจบๆไปซะเพื่อให้ปูพื้นขึ้นมาทำห้องพระซะก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเขาเนี่ยแหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ใช่เราจะสงเคราะห์แต่ทางโลกทีเดียวทางฝ่ายวัดวาศาสนาเนี่ยเราก็มองดูให้ทั่วถึงนั่นะให้เป็นธรรม ใ, ให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องจะปัจจัยสีที่ได้มานะ่ะก็มาลักษณะอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเราจะไปยกให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้เราจะไปทำมาค้าขายก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำมาค้าขายพาะเราเป็นพระ เ, เราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น ก็พร้อมกันพระพุทธเจ้าว่าเราควรทำตนให้เขาเลี่ยงง่ายก็มีอีกให้พวกเราอ่านอยู่ในบทธรรมของนวโกวัตนะเน่สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงในะการเป็นอยู่แต่ทีงังไงขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมุ่ง ม, มั่นในศีลอาจารวัตมุ่ง ม, มั่นในภาคปฏิบัติจิตภาวนา เรื่องภาวนาเป็นหัวใจของพวกเรานะสุดอย่างอื่นนั้นกระปักปายไปอย่างนั้นทาไปอย่างนั้นอย่าไปคิดมุ่งหวังไปทางโลกมันทางโลกมันได้อะไรนี่แต่เสียหายแก่เจ็บตายเข้ามาคืบคานเข้ามาแต่ละวีดแต่ละวันอย่างผมพวกผมนะผมก็เล่ า, ลาให้หมูเพื่อนฟังอยู่ตลอดนะชีวิตถึงมาถึงปานนี้แล้วมันไม่เหมือนตะเก่านะลูกลานผ้าลูกผ้าลานนะ แต่ก่อนเบินเ่นไปที่ไหนผมสะดวกสบายเหินไปที่ไหนเดินเหินไปที่ไหนแต่บัดนี้จะขึ้นไปกุฏิโอ้โหทำไมมันไกลเหลือเกินมันจะเดินเดินไปได้ไปกี่น้ำํำนะมันจะเดินไปได้กี่น้ำนะเนี่ยชีวิตของพวกเรามันมองเห็นได้ชัดชชั ด, ช, ด, ช, ดชัดอยู่แล้วนะเพราะนั้นแหละเคืองความแก่เป็นเป็นอย่างนี้นแก่ ต่อไปกันนะตายแก่ไปถึงไหนบางทีเกิด พ, พวกที่เกิดมาทีหลังก็ไปไม่รู้กี่ท่านต่อกี่คนแล้วเหมือนกันไปก่อนเราแต่พวกที่เกิดมาเท่าไหร่ผู้ไปก่อนเกิดก่อนตายก่อนก็มีตั้งเยอะแยะไปอีกเหมือนกันพน ม, มาถึงจุดนี้แหละเรามองถูกัางหน้ามองดูก้างหลัง ทั้งมองหน้าโดยทั้งมองหลักด้วยเหมือนกับใบไม้ร่วงพอมายืนอยู่จุดนี้นะสมัยเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มเราก็ไม่ได้คิดเพราะรุ่นราเขาเดียวกันก็ยังไม่ได้ยินว่าใครล้มใครตายนั่ น, น, นจะได้ยินล้มตายหายตายจากแต่พอมาถึงจุดที่แนหะจุดจุดเจ็ดสิบองเจ็ดสิบสองปีเนี่ยนะ เออบางทีก็หลุนน้องบางทีก็หลุนพี่ศรัทธาญาติโยมเมียอยู่กว่าบางทีก็น้อยกว่าเออเหมือนกับใบไม้นะมันหลุนมันหล่นมันร่วงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออไม่รู้ว่ตัวเองจะหลดเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยขอให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไป สนุกสนานเพ่งออกไปนอกอต้องดูกายวายจาจใจของตอนเองตั้งอกตั้งใจภาวนาเนะี่ยสรุปแล้วนะให้เล่งภาวนาเรื่องการไปเที่ยวตเตระเราก็ไม่เห็นด้วยนะอไปที่นู่นไปที่นี่ไปได้มันได้อะไรนี่จะเสียหายอาถ้าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอดูปีกวิเวท ถ้ามันได้กำไรถ้าไปแ้่มันได้กำไรเราไม่ว่าไปแล้วกลับไปไปไม่ไปขาดทุนใี้มากกว่าเราจะไปทำไมมีแต่ไปเที่ยวดูผู้ดูคนดูบ้านดูเมืองเขาเท่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์เพอเพอไม่จะเสียทั้งนั้นเราจิตใจไปรับนิมนต์ตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะได้ห้าได้สิบเราบวดมาเพียงแค่นั้นเหรอ สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดนะแต่ในวัดของเราเราไม่ใช่อวดไม่ใช่คุยเราไม่ได้ดึงให้หมู่พวกเพื่อนอยู่กับวัดแต่วัดของเราพร้อมที่จะปลีกยนปลีกวิเวกได้ในวัดของเราเราจะอยู่มุมไหนของวัดแล้วก็มีรัว้วรอบขอบชิดมีกำแพงอีกต่างหากเราจะอยู่ในความสงบขนาดไหนเราก็อยู่ได้ เระนันขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะพระทุกองคนะทถ้งอกตั้งใจภาวนาทั้งอกคกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเที่ยวทะเลทลายหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะอถ้าองค์ใดก็ตามไปไม่มีเหตุมีผลหลวงพ่อไล่บอกเลยนะไม่ให้กลับมาวัดอีกต่างหากหลวงพ่อไม่ต้องการพระประเภณนั้นพระที่ทะเลทลายตลอกแถล อ, อบวชเข้ามาไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาเที่ยว ไม่ใช่พอบวชเข้ามาแล้วนะพ อ, พอได้อยู่นี่ฟอร์มอย่างนี้เราไปเหนือจดใต้ไปใต้จดเหนือไปเที่ยวเที่ยวเรามันได้อะไรมันมีเสียหายไม่ตัอง อ, อกตังใจภาวนาไม่ตัอง อ, อกตังใจประพฤติปฏิบัติเราบวชมาเพื่อปฏิบัติทำไม่ได้มาบวชมาเพื่อเล่นเล่นห ล, ลอกหลอกนะเพราะนั้นองค์ไหนก็ตามนะถ้าหากว่าดูดูแล้วไปไม่มีเหตุมีผลนะ หลวงพ่อจะไม่ให้เข้าวัดนะเพรหะอะไรเสียเสียเวลาไปคบคบค้าจะมาคมทำไมคนหนึ่งตั้งใจคนหนึ่งไม่ตั้งใจคนหนึ่งพายเรือคนหนึ่งคนเอาขามาลาน้ำหลากน้ำเล็บไม่ได้ตั้งตั้งใจภาวนาไปหาเที่ยวที่นั่นไปหากินขนมต้มเข้าต้มขนมที่นั่นที่นี่นเผอเผลอแล้วกลับมาไปหาวิเวกไปทุง่ง มันทุ่งขี้หมาอะไรไปหาเที่ยวกิน ข, ข้าวต้มขนมเฉยๆแล้วก็กลับมาเสิ่งเหล่านั้นมันหลอกตอนเองทั้งนั้นหละหลอกตอนเองแล้วก็ไปหลอกหมูหลอกเพื่อนอีกว่าตัวเองไปหาภาวนาแต่ที่ไหนได้ไปอะไรก็ไม่รู้ถ้าไปไปภาวนาจริงๆ จ, จ, จนได้รับความสงบจิตใจได้เขารับพบได้รับความสงบเยือเกเย็นจิตใจเป็นสมาธิปัญญาอานท่านเราไม่ว่า อนุโมทนาสาธุแต่โดยมากมันเป็นอย่างนั้นเนฟังฟังดูแล้วพ <c oughs> อไปมีงานวัดไหนทะเละไปคน <c oughs> ไปช่วยงานคน <c oughs> ไปหาสะแตกห <c oughs> ลวงพ่อว่าไปหาสะแตกเขาต้องขนมอยู่ในวัดของเราไม่มีอยู่ไม่กินเหรอ <c oughs> ไปดูแขกดูคนไปดูคู่ดูคนไปช่วยงานช่วยทำไม ทำไมไม่ช่วยกิเลสชำระใจของตัวเองให้หมดจากกิเลสทำไมไม่ช่วยจุดนั้นทำไมไม่ดูไปช่วยอะไรทำไมมันได้อะไรช่วยโลกมนะั้งมีแต่เสียเวลาเท่านั้นแหละเราเป็นไม่ใช่ฐานะที่จะไปช่วยอย่างนั้นเราเป็นพระน้อยพระหนุ่มเราควรจะเล่งภาวนากําจัดกิเลสภายในใจของเราเไม่ใช่จะไปเที่ยวไปเตรอ ย, อย่างนั้นมันไม่ถูกนะหลวงพ่อว่านะ อตอนนี้ไปก็กลับปะแล้วก็เลิกเลิกลาเาแล้วนะ